เรื่องเนื้อเป็นเดนสองเรื่องสมัยนั้นพวกโจนข่าโคกินเนื้อแล้วซ่อนส่วนที่เหลือไว้ในป่าอันทวันเขตกรุงสาวัตถีแล้วพากันไปพวกภิกษุสำคัญว่าเป็นของบางสุกุลจึงให้อนุปสัสมบันถือเอาไปทำให้สุกแล้วฉันพวกโจนกล่าวหาภิกษุเหล่านั้นว่าพวกท่านไม่เป็นพระพวกภิกษุเกิดความกังวลใจว่า